มาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนธรรมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการทำให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข การที่เราจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุกนี้เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องดูแลสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตที่มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจร่างกายก็ ต้องมีสิ่งดูแลร่างกายถึงจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ยากลาบากไม่อัตคัดขัดสนจิตใจก็ต้องมีสิ่งที่จะดูแลให้จิตใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจ สิ่งที่จะมาดูแลร่างกายและเปิดใจและจิตใจนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำกัน ส, ส่วนแรกที่เราต้องดูแล ก, ก็คือร่างกายของพวกเราสิ่งที่ร่างกายของพวกเราต้องการเพื่อให้อยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสุ ข, อ ย, สขอย่างสบาย ไม่ทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนก็คือร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ที่พอเพียงปัจจัยสี่ของร่างกายคืออะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คืออาหารข้อที่สองก็คือเครื่องนุ่งหม่มข้อที่สามก็คือที่อยู่าศัยข้อที่สี่ก็คือยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง นี่คือสิ่งที่ร่างกายจำเป็นต้องมีไว้เพื่อที่จะได้รักษาให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขมไม่ทุกข์ไม่ยากลาบากมไม่เดือดร้อน<ม>แต่การที่เราจะเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเราก็ต้องรู้จับ ประมาณคือต้องรู้จักทําให้สมเหตุสมผลต่อความต้องการของร่างกายมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องทําแบบพอดีพอดีกับความต้องการของร่างกายเช่นอาหารอาหารเราก็ต้องมีให้ร่างกายไว้รับประทานทุกวัน วันละสามมื้อเราก็ต้องมีอาหารที่ถูกสุขลักษณะคือรับประทานเข้าไปแล้วไม่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บรับประทานไปเพื่อระ ง, งับดับความหิวที่เกิดจากการขาดสารอาหารต่างๆและป้องกันไม่ให้ความหิวเกิดขึ้นมาใหม่ ในเวลาอันรวดเร็วอันนี้คือจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพื่อดับความหิวเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งอาหารนี้ก็มีหลากหลายมีราคาถูกราคาแพงแต่ถ้าอาหารที่ถูกหรือแพงนี้ สามารถทำหน้าที่ของอาหารคือดูแลร่างกายได้ก็ไม่ควรที่จะกินอาหารแพงๆ mm. กินอาหารถูกๆ mm. ก็ได้ประโยชน์เท่ากัน mm. กินอาหารแพงๆเช่นกินอาหารมื้อละห้าพันกับกินอาหารมื้อละร้อยประโยชน์ที่ได้จากที่ที่ร่างกายได้รับก็เหมือนกันก็คือดับความหิว แล้วก็ดูแลให้ร่างกายไม่เจ็บไายได้ป่วยได้เหมือนกันก็ควรที่จะซื้ออาหารที่ถูกดีกว่าซื้อที่อาหารที่แพงเพราะว่าการซื้ออาหารแพงนี้มันก็ต้องใช้เงินมากแลวมันก็จะกลายเป็นภาระไปกดดันทางด้านจิตใจไปสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับจิตใจได้ เพราะจิตใจก็จะต้องคอยไปหาเงินมาเลี้ยงดูร่างกายยิ่งใช้ของแพงยิ่งใช้มากร่างกายก็จิตใจก็ต้องมีภาระมากในการหาเงินหาทองมาใช้<ม>จึงไม่ควรที่จะหลงไหลไปกับการใช้ของแพงๆ<ม>ใช้ของหรูหรา<ม><ม>เช่นไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารืรอ ตามโรงแรมที่มีบรรยากาศที่วิจิตพิสดารกินอาหารข้างถนนมันก็เป็นอาหารเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันแต่ถ้ากินข้างถนนนีรภาระกดดันให้กับจิตใจที่จะต้องคอยไปหาเงินมาเลี้ยงดูร่างกายนี้มันก็น้อย เราต้องรู้ว่าเรานอกจากเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราต้องเลี้ยงดูจิตใจของเราด้วยส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูจิตใจก็คือเราต้องไม่ไปสร้างภาระมากเกินความจำเป็นให้แก่จิตใจในการเลี้ยงดูร่างกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราใช้หลักมากน้อยสันโดษในการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ เพราะถ้าใช้มากน้อยสันโดษนี่มันก็จะไม่มีภาระกดดันทางด้านจิตใจมากจนเกินไปมากน้อยก็คือเอาเอาให้น้อยที่สุดเ อ, เ, เ, เอาเท่าที่จำเป็นทั้งเอาเท่าที่จาเป็นที่จะต้องมีเช่ mm hmm. นอาหารก็กินเท่าที่จำเป็นสําหรับคาราวาดก็อาจจะสามมือหรือสองมือก็อยู่ได้ สำหรับพระภิกษุนี่ท่านก็สอนให้กินอาหารวันละมื้อก็พออยู่ได้ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิ ก, การหรือตายไปก่อนเวลาอันควรนนะับน้อยนะนะก็คือเอาเท่าที่จำเป็นเอาให้น้อยที่สุด เพราะมันจะได้ไม่มีพาร่าไปกดดันจิตใจที่จะต้องไปคอยหาของมาเลี้ยงร่างกายอาหารพระเจ้าก็สอนพระภิกษุให้ให้ใช้ความมากน้อยสันโดษมากน้อยก็ให้คือฉันมื้อเดียวแล้วก็ฉันแบบไม่จู้จี้จุกจิกไม่วุ่นวายก็ให้ฉันอยู่ในภาชนะเดียวหือฉันในบาศ เพราะถ้าฉันหลายภาชนะก็ต้องมีหลายภาชนะต้องคอยคอยดูแลคอยรับผิดชอบ mm hmm. ถ้าต้องกินชา้าต้องใช้จานใช้ชามใช้ช้อนใช้อะไรหลายหลอย่าง mm hmm. ก็ต้องหาสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาเก็บเอาไว้แล้วเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องไปทําการล้างมันอีก mm hmm. ถ้าใช้บาทเพียงใบเดียวนี่มันสะดวกอาหารทั้งหมดที่ได้มาก็ใส่เข้าไปในบาทพอให้ท่านสอนพระให้พิพาพจารณาว่าอาหารในที่สุดมันก็จะไปรวมกันในท้องอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวอาหารหวาน<ม>จะเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรก็ตามในที่สุดมันก็ต้องลงไปรวมกันที่ในท้อง เพราะฉะนั้นถ้าเราอาหารที่เราจะรับประทานนั้นใส่ไว้ในภาชนะเดียวเส้นเช่นใส่ไว้ในบาต <Okay. S 1> มันก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้ทําให้น่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเราอาหารหลายอย่างปนกันอยู่ในภาชนะเดียวพอเดียวมันก็ต้องไปปนกันอยู่ในท้องอยู่ดอีอันนี้คือการอยู่แบบเรียบง่ายไม่สร้างภาระมากให้กับจิตใจ มีบาทใบเดียวบาทนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายประโยชน์ด้วยกันมีอะไรมีสิ่งใดที่เราเอามาใช้ให้ได้หลายๆประโยชน์นั่นก็ดีจะได้มีมีน้อยไม่ต้องมีมากเช่นบาทของพระนี้ก็มีไว้บินทบาทเวลาไปบินทบาทก็ต้องมีบาทก็ใช้บาทเวลากลับมาได้อาหารมาแล้วเวลาจะฉันก็เอาอาหารใส่บาทก็ยังใช้ภาชนะใบเดียวอยู่ ไม่ต้องเตรียมจานเตรียมชามเตรียมอะไรต่างๆไว้ต่างหากออกลับมาก็จัดการกับอาหารต่างๆเข้าไปในในบา้านแล้วก็การถ้าอยากจะชันอาหารรับประทานอาหารเพื่อกำจัดข้าศึกศักศตรูของจิตใจคือกิเลสตัณหาความจ้จี้จุกจิก ความเลือกกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ท่านก็สอนให้เอาอาหารรวมเข้าไปในบาทแล้วก็คนมันคุกมันให้เป็นเหมือนอาหารชนิดเดียวกันอาหารจานเดียวเป็นเหมือนกับเวลาที่มันเข้าไปอยู่ในท้องอาหารที่เราแยกใส่จานแล้วแยกกันกินเช่นเรากินของกินข้าว กินกับกินอะไรแยกๆ ก, กันไว้แต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็เข้าไปรวมอยู่ในที่เดียวกันนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาให้มันยุ่งยากไปแยกกันให้มันเสียเวลาให้มันเป็นภารักับจิตใจอันนี้กินเพื่อทำให้จิตใจสุขสบายขึ้นไม่ถูกอำนาจของกิเลสตัณหากามาการมาฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดสภาพของอาหาร ถ้ามีการมะฉันทะนีอาหารที่จะกินก็ต้องสวยงามก่อนต้องใส่ในจานในภาชนะที่เห็นแล้วน้ำลายไหลเราก็ต้องแยกกันกินอาหารแต่ละชนิดก็แยกจานกันไว้ <Okay. S 1> ไม่ใส่รวมกันอันนี้แหละกินแบบ <Okay. S 1> เป็นภาระกับจิตใจเพราะไปกินแบบเร่เงดูข้าวเึกศัตรูของใจคือการมฉันทะความอยากใน รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะของอาหารมันก็จะส่งเสริมให้มันไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจถ้าเราต้องการกินเพื่อกินเพื่อใจด้วยกินเพื่อร่างกายด้วยเราก็ต้องกินแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่เรื่องมากการฉันในบาทนี้ก็มีสามขั้นสาม สามระดับด้วยกันสำหรับผู้ที่จะลองปฏิบัติดูระดับแอันดับแรกก็คือให้เอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวกับหรือของหวานของข้าวใส่ไปในบาตแต่อาจจะแยกไว้เป็นส่วนๆข้าวไว้มุมหนึ่งกับข้าวไว้มุมหนึ่งของข้าวของหวานอะไรไว้มุมหนึ่งอันนี้สำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆอาจจะยังไม่มีกาลังสู้กับกิเลสมากพอ ก็อาจจะแยกส่วนไว้ก่อนในบาตรแบบ่งเป็นโซนๆในบาครข้างนี้ไว้ข้าวข้างนี้ไว้กับข้างนี้ไว้ขนมให้ผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นขั้นระดับขั้นที่หนึ่งระดับขั้นที่สองก็คือไม่แยกคือใส่มันเข้าไปตัดอาหารตัดข้าวก็ไปก็ใส่เข้าไปไม่สนใจว่าจะอยู่โซนไหนมุมไหนตับข้าวก็ใส่เข้าไป ให้มันปนกันไปอันนี้ขั้นที่สองคือไม่มากังวลกับการที่จะต้องแบ่งโซนกันขั้นที่สามก็คือเวลาอาหารเข้าไปในบาศเสร็จแล้วก่อนจะฉันก็คลุก ม, มันคนมันให้มันเป็นอาหารอย่างเดียวกันคือเราสมมติสมมติว่าต่อไปมันก็จะมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในร่างกาย เวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายมันก็จะต้องปนกันอย่างนี้แหละร่างกายมันไม่มีช่องแยกมันไม่มีโซนของอาหารว่าอันนี้เป็นข้าวข้าวไปอยู่ช่องหนึ่งกับข้าวไปอยู่อีกช่องหนึ่งของหวานของข้าวไปอยู่อีกช่องหนึ่งมันไม่มีช่องมันไม่มีโซนแยกกันมันเข้าไปรวมกันในในในกระเพาะอันเดียวกันเพื่อที่มันจะได้ทำการย่อยอาหารแล้วนออกไปเลี้ยงดู อวัยวะต่างๆของร่างกายต่อไปงั้นถ้ากินแบบนี้เรียกว่ากินเพื่อกินเพื่อใจด้วยกินเพื่อร่างกายด้วยร่างกายก็ได้อาหารตามที่ร่างกายต้องการจิตใจก็ได้ทำลายข้าศึกศัตรูคือการมาฉันทะตัวที่จะมาคอยขัดขวางใจในการที่จะสร้างความสุขความสงบให้กับใจนี่คือวิธีการกินของพระภิกษุ ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้กินกันกินเพื่อประโยชน์ทั้งสองส่วนประโยชน์ทางร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ทางจิตใจด้วยคือเป็นการกำลาบหรือเป็นการกําจัดการมาฉันทะที่เป็นข้าศึกศัตรตูต่อจิตใจผู้ที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับจิตใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหาร น, นี่คือการรับประทานแบบมากน้อยสันโดษสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดะเช่นพระภิกษุไปบิณฑบาตก็ไม่มีเมนูเขียนไว้ติดไว้ที่ฝาบ า, าตรญาโยมดูวันนี้จะอาหารอย่างนั้นจาน อ, อย่างนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ให้ผู้ให้อยากจะใส่อะไรมีอะไรใส่มากใส่น้อยมีศรัทธาเท่าไหร่ก็ใส่ไป กูรับก็มีหน้าที่รับก็รับไปยินดีตามมีตามเกิดอาหารจะถูกปากถูกใจหรือไม่ก็ไม่สำคัญขอให้มันถูกกับร่างกายก็แล้วกันขอให้มันกินเข้าไปแล้วไม่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ร่างกายกินแล้วดับความหิวได้ดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการได้<ม>ก็ใช้ได้ไม่ว่าสันโดษ มากหรือน้อยก็ได้บางวันอาจจะได้มากบางวันอาจจะได้น้อยอก็กินไปตามมีตามเกิดถ้ามีมากเราเจ้ก็ไม่ให้สะสมไม่ให้เก็บไว้พรถ้าเก็บไว้ก็เป็นภาระกับจิตใจต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็เป็นเครื่องล่อกิเลสตัณหาร่อกล้ามฉันทะให้ใจคิดถึงอาหารเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆแล้วอาจจะอาจจะไปเลย ทำผิดศีลไว้อปิดกินอาหารที่ที่เก็บเอาไว้ก็ได้ mm. เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของจิตใจก็ให้สละอาหารไปให้หมด mm. อาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตในวันนั้นเมื่อเมื่อฉันเสร็จแล้วไม่ต้องฉันอาหารในวันนั้นอีกต่อไปอาหารที่เหลือก็ให้เอาไปทําบุญทําทานแทน mm. เ, เป็นประโยชน์กับจิตใจจิตใจไ ด, ได้ได้ทำบุญทําทาน การทำบุญทำทานนี่แหละเป็นการให้อาหารกับจิตใจทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมาจากการที่ได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเช่นสายบ้านอำเภอที่ไป บ, บินธบาตนี้ก็มีคนสายบาดมากพระท่านก็เอาส่วนที่ท่านต้องการส่วนที่เหลือก็แจกให้กับคนยากจนที่มาขอรับ จะถ้าสังเกตดูจะมีคนยากจนอยู่กลุ่มหนึ่งคอยเดินตามหลังพระเวลาพระเดินบินทบาทแล้วเขาก็จะมารอรับอาหารที่มีเหลือจากพระไปรับประทานกันอเขายากจนเขาไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้ที่พอเพียงที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้เขาก็ต้องอาศัยความเมตตาของผู้ที่มีให้แบ่งปันส่วนที่มีให้กับเขาไป ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขกายผู้ให้ก็มีความสุขใจ <c oughs> นี่คือเรื่องของการกินอาหารอย่าไปหลงไหลกับความหลงของทางโลกทางโลกต้องกินอาหารที่ราคาแพงๆมีรูปลักษณะที่สวยงามวิจิตพิศดานมีบรรยากาศของการ รับประทานอาหารต้องอยู่ในห้องอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศมีแสงสีเสียงและบางครั้งก็อาจจะมีเสียงดนตรีมากล่อมมาเลี้ยงด้วยอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นการเลี้ยงกิเลสตัณหาเลี้ยงกลามมาฉันทะจะทำให้ติดอยู่กับการเสพการมไปเรื่อยๆซึ่งการเสพการมมันก็จะกลายเป็นทุกข์เวลาที่เกิดปัญหาเวลาที่ไม่มีเงินมีทองที่จะเสพ การต่อไปแต่ถ้ากินแบบมากน้อยสันโดษนี่มันก็จะไม่ต้องใช้เงินทองมากถ้ามีเงินมากก็สามารถจะได้สามารถมีเงินมีเงินเอาไว้เก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ <S <S เพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่มีไม่มีใครรู้ว่าโลกจะเป็นอย่างไรโลกอาจจะมีโรคระบาดอาจจะมีสงคราม อาจจะมีภาวะความแห้งแล้งเกิดมีความ<ข>อัตคัดขัดสนทางด้านปัจจัยสี่ถ้าเรามีเงินทองเก็บสำรองเอาไว้มันก็เราก็สามารถใช้เงินทองที่เราเก็บสำรองนี้มามาใช้จ่ายซื้อของได้ถ้าเราไม่มีมันก็อาจจะต้องทุกข์ยากลำบากอาจต้องอดอยากขาดแคลนไป ถึงแม้เรามีเงินมากก็อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันมีเงินมากฉันจะใช้เท่าไหร่ก็ได้วันนี้ยิ่งอยู่ใช้ไปแต่ยิ่งใช้ไปมันก็จะยิ่งจะหมดแล้ววันอนาคตอาจเงินอาจจะไม่พอใช้ก็ได้หรือรายได้ที่เคยมีมันไม่ได้มาอย่างที่เคยมาก็ได้หรือเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทํางานทําการหารายได้เหมือนอย่างที่เราได้กันในขณะนี้ เราก็ยังมีเงินทองที่เราสะสมเก็บเอาไว้เลี้ยงดูเราไปาให้เลี้ยงให้ร่างกายมันอยู่ได้ก็พ อ, อไม่ไม่จําเป็นจะต้องให้มันกินแบบหรูหรากินแบบของแพงๆกินมักินแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระเหมือนกันเหมือนการเอาเงินไปซื้ออุจจาระดีๆนี่การกินอาหาราซื้ออาหารมาเพื่อมาแปลงให้มันกลายเป็นอุจจาระ บางคนก็ใช้เงินใช้ทองไปซื้ออุจจละมากันใช้เงินมากก็ซื้ออุจจาะกันโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่ากําลังมีความสุขจากการได้กินอาหารของแพงๆ น, นี้ก็เป็นอุบายวิธีของนักบ่านของพระพุทธเจ้าของพระสุปฏิปนโนทั้งหลายชีวิตชองท่านานั้นท่านอยู่อย่างสมถะเรียบง่าย ใช้ของแบบที่ถูกที่สุดคือไม่ต้องใช้เงินเป็นการบินธบาตท่านก็ไม่ต้องใช้เงินไปซื้ออาหารใช้ความเพียรใช้ความขยันมีบาทแล้วก็มีศีลศีลธรรมบวชเป็นพระก็มีผู้มีจิตศรัทธาที่จะสนับสนุนให้อาหารตามตามรรมตามศรัทธาของเขาก็พอเลี้ยงดูอยู่ได้ ให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไปก่อนเวลาอันควรเรื่องเครื่องนุ่งหม่มท่านก็สอนให้ใช้ของฟรีของฟรีในสมัยนั้นก็คือผ้าหอ่อศพผ้าที่ถูกทิ้งเอาไว้ในป่าชา้าที่เ ร, เรียกว่าผ้าป่าผ้าป่าก็คือผ้าห่อศพดีๆนี่ในสมัยนั้นเขาไม่ได้ยอมเอาศพไปเผาเรืออไปฝังเขานิยมเอาผ้า ผ้าขาวห่อศพแล้วก็เอาปล่อยเ อ, เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าปล่อยให้ร่างกายเน่าเปื่อยแห้งกรอบไปพอร่างกายแห้งกรอบไปแล้วผ้านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกนักบวชเขาก็จะไปเก็บผ้าเหล่านั้นเวลาถ้าเขาต้องการเอาผ้ามาทําตัดเย็บเป็นจีวรเขาก็จะไปเก็บผ้าเหล่านั้นมามาซักมาย้อมแล้วก็มาตัดมาเย็บ เป็นผ้าผ้าห่มของนักบวชก็คือผ้าจีวร น, นักบวชนี่ก็จะต้องรู้จักวิธีตัดเย็บจีวรของตนเอง<ม>เพราะว่านักบวชไม่มีเงินมีทองในสมัยนั้นไม่ใช้เงินใช้เทอง<ม>ใช้แต่ใช้แต่สติปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงดูร่างกายของตน<ม><ม>ก็ต้องรู้จักเย็บผ้าตัดผ้าตักผ้าย้อมผ้า ทำเองทุกอย่างเพื่งตนเองนา ต, ตาหิอัตนโนนาเถร์ก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการหาเงินหาทองไม่ต้องกังวลว่าเงินทองจะมีพอใช้หรือไม่เพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่แบบต้องใช้เงินใช้ทองกันคือให้อยู่แบบถูกที่สุดง่ายที่สุดเพราะมันจะได้ลดภาระกดดันทางด้านจิตใจให้น้อยที่สุดเพราะว่านอกจากการ กำจัด ค, ความทุกข์ยากลําบากของร่างกายแล้วเราก็ต้องกําจัดความทุกข์ยากลําบากของจิตใจด้วยความทุกข์ยากลําบากของจิตใจส่วนหนึ่งก็เกิดจากจากการที่เรามาเลี้ยงดูร่างกายแบบแบบหรูหราแบบใช้ของแพงๆนี่ถ้าเราใช้ของแพงๆ แ, แบบหรูหราเราก็ต้องหาเงินมากมันก็จะเป็นภาระกศดดันให้จิตใจต้องทุกข์ให้วุ่นวายกับการคอยหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆเสื้อผ้าของคารว่าก็ ก็ใช้แบบผ้าก็ได้เสื้อผ้ามันมีหลายราคาเยราคาถูกราคาแพงตัวละร้อยก็มีตัวละพันก็มีตัวละมื่นก็มีแต่มันก็ทำหน้าที่เหมือนกันหน้าที่ของเสื้อผ้าคืออะไรก็คือไว้ปกปิดร่างกายป้องกันร่างกายจากอากาศหนาวเย็นป้องกันร่างกายจากแมลงสา์กัดต่อยต่างๆท่นั้นเองนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้ามีไว้เพื่อสวมใส่ ไม่ได้เสริมสวยความวิเศษควา ม, มวิโสความสวยความงามของร่างกายหรอกเพราะร่างกายนี้ในสายตาของคนฉลาดของคนมีปัญญานี้ดูยังไงมันก็ไม่สวยหรอกดูยังไงมันก็มีมันก็เป็นเหมือนซากศพที่ยังเดินได้อยู่ท่านั้นเองยังมีลมหายใจอยู่หรือมีอวัยวะอาการ32ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังที่คนธรรมดาคนที่ไม่ใช่สติปัญญาจะมองไม่เห็น แต่สำหรับคนที่มีสติมีปัญญานี้จะเห็นอาการ32อย่างชัดเจนเวลาที่เห็นร่างกายของใครก็ตา่างฉะนั้นจะใส่สวมเสื้อผ้าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ได้สร้างความสวยความงามให้กับร่างกายในสายตาของคนฉลาดนอกจากในสายตาของคนโง่เท่านั้นถึงจะเห็นโอ้ใส่ชุดนี้สวยเหลือเกินวิเศษเหลือเกินถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่รละลึกกัน ต่อไปร่างกายมันแก่มันจะได้ดูของที่มันยังเคยสวยเคยงามอยู่ร่างกายไม่นนช้าก็เร็วมันต้องแก่ลงไปเวลาแก่แล้วก็ต่อให้ใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไห น, นมันก็ไม่สามารถทําให้ร่างกายนั้นดูสวยงามได้แต่อย่างใดเวลาเราใช้เสื้อผ้าก็ให้เราคํานึงถึงเหตุผลของการใช้การใช้สอยเป็นหลักว่าเราใช้เพื่ออะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนพระ เวลาที่จะบริโภคปัจจัยสี่ทุกครั้งให้พิจารณาก่อนถึงเหตุสาเหตุของการใช้สอยของของปัจจัยสี่ว่าเราใช้สอยเพื่ออะไรเช่นอาหารก็ใช้ใช้เพื่อระ ง, งับดับความหิวของร่างกายเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ไม่ได้เกินเพื่อให้เกิดความสุขสนานเทหาสาลานใจอันนั้นเป็น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอาหารไม่ใช่เป็นหน้าที่ของของนักปราชของคนฉลาดที่จะกินถ้ากินเพื่อดับาาดับความทุกข์ดับความขิวความต้องการของร่างกายกินอาหารราคาเท่าไหร่มันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันการจะบริโภคเสื้อผ้าก็เหมือนกันการก่อนจะใช้เสื้อผ้าใครพิจารณาเราเสมวสมใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรก็เพื่อปกปิดร่างกายเพื่อ เพื่อป้องกันภัยจากอากาศหนาวเย็นหรืออากาศจากแมลงสา์กัดต่อยต่างๆเป็นต้นพราะนั้นมีหน้าที่ปกป้องรักษาร่างกาย<ม>แล้วที่อยู่อาศัยก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนเป็นที่ปลอดภัยเวลาที่จะพักผ่อนดับนอนไม่มีใครที่จะมาทำร้ายเรา<ม>จะเป็นบ้านที่มีราคาแพงบ้านนที่มีราคาถูกมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน เป็นที่หลบแดดหลบฝนเป็นที่ปลอดภัยจากภัยจากสัตว์ร้ายก็ดีจากมนุษย์ที่มีความโหดร้ายทารุณก็ดี<ม>ก็มีไว้แค่นี้เองสําหรับพระนี่ท่านก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปกป้อง<ม>ท่านมาบวชเพื่อที่จะมาสละชีวิตท่านรู้ว่าชีวิตคือร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตาม อยู่ในที่รู้หลาอยู่ในที่ที่มีความปลอดภัยมีมีลอปพอ่อคอยดูแลรักษามันก็ถึงเวลามันก็ตายได้เหมือนกันท่านไม่ค่อยคำนึงถึงความตายของร่างกายเท่าไหร่ท่านคำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากที่จะเคยขึ้นกับจิตใจมากกว่าด้วยการหวงด้วยการหวงชีวิตมากจนเกินไปท่านเราก็อยู่กันแบบ แบบ ย, ยินดีตามมีตามเกิดไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปสร้างบ้านสร้างที่ อ, อาศัยสร้างกุฏิอยู่กันตามโคนไม้ที่มีร่มไม้ไว้ป ก, ปกป้องแดดแล้วก็อาจจะทําเพิงกันฝนเวลาฝนตกทําเพิงจากกิ่งไม้ใบไม้พอหลบแดดหลบฝนได้ใช้เป็นสถานที่บําเพ็ญปฏิบัติธรรมเพื่อทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ เป้าหมายของท่านนั้นอยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์การกาจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปไม่ใช่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจด้วยการมาคอยหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเพราะท่านพิจารณาอยู่เนืองๆว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมีปัจจัยสี่มากน้อยเพียงไรแพงหรือไม่แพงมันก็ ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความเป็นจริงของร่างกายได้ว่ามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีันดับหนึ่งของโลกหรือเป็นขอทานข้างถนนก็หนีไม่พ้นความเป็นจริงของร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองนักบวชจึงไม่ค่อยที่จะกังวลเกี่ยวเรื่องของร่างกายเท่าไหร่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ของใจมากกว่า ถ้าการเลี้ยงดูร่างกายมันเป็นการเสริมสร้างความทุกข์ให้กับใจก็ลดมันลงดีกว่าเลี้ยงดูแบบที่มันไม่มาเสริมสร้างความทุกข์ให้กับใจก็เลี้ยงดูแบบสันโดษตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดก็นักบวชก็ชอบไปหาที่สงบในป่าในเขาอยู่แล้ว<ม>ก็อยู่ตามโคนไม้ถ้ามีถ้ำก็อาจจะอยู่ในถ้ำมีเงื่อมผาพอหลบแดดหลบฝนได้ก็ไปอยู่ในนั้น หรือบางทีก็มีเรือนร้างที่เขาสร้างแล้วทิ้งเอาไว้ไม่มีใครอยู่ก็ไปอาศัยอยู่แบบนั้นก็ได้ท่านไม่ค่อยกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปท่านกังวลเรื่องของจิตใจเสียมากกว่าท่านจึงไม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการเลี้ยงดูมากกับ <S 2> <S 2> <S ร่างกายมากจนเกินไปเลี้ยงดูพอให้มันอยู่ได้เพราะยังร่างกายก็เป็นเครื่องมือสําคัญต่อการสร้างความสุขดาบความทุกข์ของใจ เพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถศึกษาพราะธรรมคำสอนไม่สามารถที่จะปฏิบัติทเพื่อเพื่อทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ท่านก็ต้องท่านก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายไปแต่ไม่ให้ไม่ไม่ให้มันเป็นภาระกับจิตใจไม่ให้มาสร้างความทุกข์สร้างความกดดันให้กับจิตใจเพราะเป้าหมายหลักของการปฏิบัติก็คือการกาจัดความทุกข์ต่างๆของจิตใจ ให้กระทั่งความทุกข์ที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายก็ต้องคอยกําจัดมันคอยลดมันอย่าให้มันอยา่าเปอย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะเราสามารถอยู่แบบไม่ไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจได้ถ้าเรารู้จักการอยู่แบบมักน้อยสันโดษยิยนดีตามมีตามเกิดส่วนยารักษาโรคสมัยก่อนท่านก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มียาขายตามร้านขายยา ก็ต้องผลิตยาขึ้นมากินกันเองเป็นส่วนใหญ่ยาที่เขากินกันก็เป็นยาดองยาดองเขาก็ใช้น้ําปัสสาวะนี้ดองกับผลผลไม้บางชนิดเช่นสมอเอาสมอแช่อยู่ในน้ําปัสสาวะทิ้งไว้ทักระยะหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเป็นน้ําดองสามารถดื่มน้ําดองนี้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ทันก็อยู่ไปตามมีตามเกิดเรื่องโรคภายแค้เจ็บท่านก็ถือว่าทุกคนเกิดมาก็เหมือนกันไม่ว่ารวยรู้จนก็ต้องเจอโรคสามชนิดด้วยกันทุกคนโรคชนิดแรกก็คือโรคที่เป็นแล้วหายเองไม่ต้องทำอะไรมันก็หายได้เช่นเป็นไข้หวัดนี่มันไม่มียากินไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรทิ้งไว้สักระยะสี่ห้าวันมันก็หายเองได้โรคชนิดที่สองเมื่อเป็นแล้วก็ต้องรักษา รักษาก็มียารักษาก็คือยาดองก็กินยาดองไปถ้าจะหายก็หายถ้าไม่หายก็กลายเป็นโรคชนิดที่สามไปโรคชนิดที่สามก็คือรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็อยู่กับมันไปจนกว่าร่างกายตายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเจอโรคสามชนิดด้วยกันเป็นมหาเศรษฐีมีเงินแสนล้านหมื่นล้านก็เหมือนกัน ก็ไม่สามารถซื้ อ, อยาที่จะมารักษาโรคที่มันไม่รักษาไม่หายได้อันนี้คือเรื่องของการดูแลเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนีพระเจ้าสอนให้พระพิจารณาว่าเราเกิดมามีสามโลกสามชนิดด้วยกันโลกที่เป็นแล้วหายเองไม่ต้องทำอะไรทำใจให้นิ่งๆเฉยๆอย่าไปวุ่นวายกับมันก็พอโลกชนิดที่สองก็ต้องหายามารับประทานถึงจะหาย ก็เอายาที่มีอยู่ตามมีตามเกิดมียาดองมีสมุนไพรอะไรหามาได้มามาต้มกินก็ต้มกันไปตามตามตามธรรมเนียมของการรักษาโรคในสมัยนั้นส่วนใหญ่ก็จะอาใชยสมุนไพรต่างๆเวลามีโรคภัยไข้เจ็บก็อยามาต้มมากินกันถ้าหายก็หายถ้าไม่หายก็แสดงว่ามันเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะ ตายไปทุกคนเป็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ยุคใดสมัยใดร่างกายของทุกคนนี้มีโรคสามชนิดนี้เท่าเทียมกัน น, นี่นี่คือสิ่งที่ดีอย่างสําหรับคนเราก็คือเรื่องโครคภัยแค่เจ็บนีออ้ไม่ว่าจะรวยจะจนนี้มีเหมือนกันมีสามชนิดนี้เหมือ น, นกันเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องเจอโรคสามชนิดนี้เป็นขอทานข้างถนนก็ต้องเจอโรคสามชนิดนี้นี่คือความเท่าเทียมกัน ระหว่างคนรวยกับคนจนคนใหญ่คนโตกับคนคนเล็กคนน้อย <c oughs> ก็ต้องเจอโรคแบบเดียวกันร่างกายของทุกคนก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเท่าๆกันไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใดจึงไม่ต้องไปวุ่นวายมากจนเกินไปเกี่ยวกับการที่จะไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกาย <c oughs> มันก็ไม่เกิดมันไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงแต่อย่างใดความเป็นจริงก็คือ รวยก็แก่เจ็บตายจนก็แก่เจ็บตายเหมือนกันสิ่งที่เราควรจะมาดูแลก็คือจิตใจซึ่งมากกว่าเพราะจิตใจนี้จะสุขหรือจะทุกข์ก็ อ, อยู่ที่การดูแลร่างกายที่ถูกวิธีถ้าดูแลแบบถูกวิธีใจก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าดูแลแบบไม่ถูกวิธีใจก็ต้องทุกข์วุ่นวายกับมันต้องคอยหาเงินหาทองมาคอยดูแลรักษามาเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่ แล้วเลี้ยงดูยังไงดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็ต้องตายไปเวลาตายก็ทุกข์ทรมานใจเพราะไม่อยากตายกันแต่ถ้าเลี้ยงดูแบบแบบมากน้อยสันโดษก็ดูไปตามกำลังมีมากมีน้อยก็เลี้ยงมันไปตามกำลังรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้จะตายก็ให้มันตายไปก็สำคัญเราไม่ต้องการที่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจกูจะ คือจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อันนี้เป็นการเลี้ยงดูร่างกายในขณะที่เราต้องมารับผิดชอบกับเลี้ยงเลี้ยงดูจิตใจในขณะที่เราต้องมารับผิดชอบกับการเลี้ยงดูร่างกายอย่าไปเลี้ยงดูร่างกายแล้วสร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้กับใจเป็นอันขาดเลี้ยงดูร่างกายแบบไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย เลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้จะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเลี้ยงดูแบบนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์<อ>ใจจะเฉยเฉยนี่คือใจของพระสาวกใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ท<อ>่านดูแลร่างกายไปตามกำลังตามเหตุตามผลทำทำเท่าที่ทำได้ทำแบบมากน้อยสันโดษ<อ>พระพุทธเจ้าแม้จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ละภารกิจ ของการบินทบาติยังบินธบาติอยู่อีกต้องสี่สิบห้าปีด้วยกันยังอยู่แบบมากน้อยสันโดษเหมือนเดิม mm hmm. ถึงแม้จะมีคนถวายข้าวของเงินทองถวายผ้าผ้าจีวร อ, อันปราณีต <Yeah. S 1> ถวายสิ่งอปัจจัยสิ่งที่ปาณีตพิสดารท่านก็ไม่ได้ไปหลงไหลไปกับมัน mm hmm. ท่านก็ยังอยู่ตามปกติเหมือนตอนที่ตอนที่ท่านยังไม่ได้ตัดสัตว mm hmm. ท่านก็อยู่แบบมากน้อยสันโดษไปเ mm hmm. พราะท่านรู้ว่าถ้าไปอยู่แบบ รู้หลาอยู่แบบฟุ่มเฟือยมันก็จะมาสร้างความทุกข์สร้างความปัญหาให้กับใจนั่นเองใจท่านหลุดพ้นแล้วจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายเั้นท่านไม่ไม่วุ่นวายกับการหาเลี้ยงดูร่างกายไม่วุ่นวายกับการหาความสุขทางร่างกายเพราะท่านมีความสุขที่เหนือกว่าที่อยู่ภายในจิตใจที่ท่านดูแลจิตใจด้วยสิ่งที่จิตใจต้องมีต้องมีให้ดูแล น, นี่นี่คือเรื่องของการดูแลร่างกายก็คือดูแลด้วยปัจจัยสี่ของร่างกายก็คืออาหาร<ม>เครื่องนึ่งหม่มที่วัส่ีและยารักษาโรคเวลาเกิดโครคภัยแค่เจ็ดก็ให้เลี้ยงดูแบบมากน้อยสันโดษแล้วจะทำให้ร่างกายอยู่อยู่อย่างสบายแล้วจิตใจก็ไม่วุ่นวายไปกับการเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป ไม่ว่าจะใครจะเป็นใครก็ตามก็ต้องไปด้วยกันทุกคนนั่นเองไปช้าไปเร็วนั่นไปง่ายหรือไปยากบางคนมีเงินเยอะก็อาจจะไปยากเพราะมีเงินที่จะรักษาพยาบาลก็ก็ตายยากหน่อยแต่แต่แต่ก็อยู่แบบทรมานอยู่แบบคนไขตนน้ตีดนอนติดเตียงอยู่แบบนั้นอยู่ไปทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรสร้างความทุกข์ให้กับใจไปเปล่านะนี่คือเรื่องของการดูแลส่วน ส่วนแรกของชีวิตก็คือของร่างกายเราต้องเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสโดยใช้หลักมากน้อยสันโดษ mm hmm. แล้วเราจะได้ไม่ต้องมีภาระ mm hmm. ที่จะมากดดันให้กับจิตใจสร้างความทุกข์สร้างความลําบากให้กับจิตใจในการเลี้ยงดูร่างกาย mm hmm. นั่นเอง mm hmm. ส่วนนั้นส่วนจิตใจก็ต้องมี mm hmm. มีมีเครื่องดูแลรักษาจิตใจเหมือนกับร่างกาย เครื่องดูแลจิตใจก็เหมือนเครื่องดูแลของร่างกายก็มีปัจจัยสี่ของจิตใจที่จะต้องมีเหมือนกันร่างกายต้องมีอาหารจิตใจก็ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงแต่อาหารที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจนี้ไม่ใช่เป็นกับข้าวกับปลาของขาวของหวานของรับประทานต่างๆแต่มันเป็นเรื่องของการทําบุญทําทานการทําทานนี่แหละเป็นการให้อาหารกับจิตใจเพราะว่าเวลาที่เราให้ ใา้เงินทองข้าวของของเราไปให้แก่ผู้นี้เราเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมานี่นหะคืออาหารของใจที่เราควรที่จะทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราเลี้ยงดูร่างกายเราเลี้ยงร่างกายได้ทุกวันวันเราสามมือ้อทําไมเราไม่เลี้ยงจิตใจเหมือนกับเราเลี้ยงดูร่างกายที่เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าร่างกายเพราะจิตใจนี้ไม่มีวันตายจิตใจนี้อยู่ต่อไป จะอยู่แบบหิวแล้วอยู่แบบอิ่มเท่านั้นเองถ้าอยากจะให้จิตใจอยู่แบบอิ่มก็ต้องคอยทำบุญคอยให้อาหารกับจิตใจด้วยการทาบุญทำทานในในหลากหลายรูปแบบด้วยกันการทําบุญทาทานนี้ไม่ได้หมายความว่าจะจาเป็นจะต้องให้ข้าวของเงินทองเพียงอย่างเดียวถ้าเราเป็นคนยากจนไม่มีข้าวของเงินทองให้เราก็ให้ส่วนอื่นก็ได้ให้กาลังให้เวลาเช่นทละเวลา ของเราสลากำลังกายของเรามาทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบางคนก็มาทำช่วยทำงานที่วัดเห็นนห้องน้ำไม่สะอาดก็ช่วยทำความสะอาด้างห้องน้ำ<อ>เห็นมีคนมาทำบุญมีจานชามที่ต้องล้างต้องเก็บก็มาช่วยกันล้างไม่ได้เรียกเรียกค่าค่าจ้างแต่อย่างใดนี่น ก, ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานเหมือนกันเป็นการให้ ให้ให้ประโยชน์สุขที่เกิดจากการใช้ร่างกายและเวลาให้กับผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานเหมือนกันไม่จาเป็นว่าจะต้องบริจาคเงินเพียงอย่างเดียวบุญนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธีคือการให้เนี่ยให้นี้ท่านสอนว่ามีการให้ได้ต้องสี่อย่างด้วยกัน ถ้าเรามีเงินมีทองมีข้าวของเหนือกินเหนือใช้เราก็ให้ข้าวของเงินทองไปแบ่งไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ออกไปไม่ได้อซื้อออกไปทําบุญทําทานเอาไปเปลี่ยนเป็นอาหารมามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้จิตใจอยู่อย่างอิ่มเออย่างสุขสบายดีวยกว่าอยู่แบบหิวโหยอยู่แบบความอยากแล้วก็ถ้าไม่มีเงินทองข้าวของแต่เรามีความรู้วิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึง่ง สามารถสอนให้ผู้นํามาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นถ้าเรารู้จักวิธีทํากับข้าวอาหารที่อริดอร่อยมีคนอยากจะไปเปิดร้านอาหารทําอาหารขายแต่ไม่รู้วิธีทําอาหารก็สอนเขาไปก็ได้สอนวิธีทําอาหาร <Yeah. S 2> หรือ ม, มีวิชาความรู้อย่างอื่น <Yeah. S 2> รู้จักทําเสริมสวย <Yeah. S 2> ทําผ้าทําผมทําอะไรก็สอนไปรู้จักเย็บเย็บปกักถักล้อยเย็บผ้าอะไรก็สอนไป นี่คือเรียกว่าการให้วิชาความรู้วิชาความรู้นี้โดยที่ไม่คิดสตางค์ก็เป็นบุญอย่างเป็นการให้อย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับการให้ข้าวให้ของให้เงินทองเรียกว่าวิทยาทาน<ม>การให้วิชาความรู้อย่างที่สามเราจะสามารถให้ได้ก็คืออภัยทานให้อภัยเวลาที่เราโกรธแค้นโกรธเคืองใครอาฆาตพยาบาทจะคิดไปทาร้ายเข า, เาก็ให้อภัยไม่ไปเปลี่ยนใจไม่ไปทำร้ายเขา การไม่ไปทำร้ายเขาก็เป็นการให้ความสุขกับเขานั่นเองเวลาไปให้เวลาไปทำร้ายเขาก็เป็นการให้ความความทุกข์กับเขา<ม>แต่ถ้าเราให้อภัยเขาก็สบายใจ<ม>เขาก็จะรู้ว่าเราไม่มีไม่มีใครมาจองเวรจองกรรมเขา<ม>เขาก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องหวาดราแองไม่คอยไม่ต้องคอยวิตกกังวลว่าเจ้ากรรมนายเวรจะมาอฆ่ า, าพยาบาทมาล้างแค้นแต่อย่างใด เรียกว่าอาภัยทานยกโทษให้กับผู้อื่นเวลาใครเขาทำทำให้ทาให้เราเกิดความเสียหายเกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนเราไม่ถือสาคิดว่าเป็นเราถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันถือว่าเราเกิดมาชาติก่อนนะอาจจะเคยไปทำให้ผู้อื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเสียหายชาตินี้เลยต้องกลับมาใช้กรรมแต่เราจะไม่สร้างกรรมใหม่ด้วยการไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนเราก็จะให้อภัยเขา ให้อภัยได้แล้วใจของเรานี่หลจะเป็นสุขขึ้นมายิ่งกว่าคนที่ได้รับการให้อภัยคนที่ได้รับการให้อภัยเขาก็มีความสุขแต่คนที่ให้อภัยนี่มีความสุขมากกว่าเพราะเวลาอาาตพยาบาทนี้ใจมันร้อนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับพอใช้เหตุธรรมะคือความเมตตามาสอนว่าโลกเราอยู่กันได้ด้วยความเมตตาความเมตตาคั้มจุนโลกไม่ใช่ความโหดร้ายทารุณ ถ้าเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทำร้ายเราก็ะจะเป็นการจองเวรจองกรรมไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นการให้อภัยได้ก็จะทำให้ใจเราสงบเยน็นมีความสุขขึ้นมาอนี้คือการให้ชนิดที่สามเรียกว่าให้อภัยการให้ชนิดที่สี่ก็คือการให้ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จะเป็นคําสอนที่เราได้จากการปฏิบัติของเราเองก็ดีหรือเป็นคําสอนที่ได้จากการที่เราได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆที่เราช่วยทําให้จิตใจเราสงบเย็นระงับความทุกข์บางอย่างได้เราก็สามารถแบ่งธรรมะนี้ให้กับผู้ที่เขาต้องการได้เ <S S S 1> ช่นถ้ามีเงินจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็ได้หรือถ้ามีหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วเราคิดว่าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้แล้ว ก็บริจาคให้คนอื่นเข้าไปก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะและการให้ทั้งสี่ชนิดนี้เขาุตจ้าทรงตรัสว่าการให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าธรรมะนี้มีคุณค่ามากกว่าข้าวของเงินทองเงินทองนี้ก็มีไว้สําหรับช่วยดูแลร่างกายได้แต่ไม่สามารถมาดูแลดับความทุกข์ทางใจได้응 แต่ธรรมะของพระเจ้านี่เป็นธรรมะที่สามารถเอามาดับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี้เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่สาหัสสาการยิ่กว่าความทุกข์ยากของทางทางร่างกาย<ม>ถ้าดับความทุกข์ทางใจได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไป่จะไม่ต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอ<ม>นี้ก็คือเรื่องของการให้อาหารแก่จิตใจของเรา<ม>ถ้าเรารู้สึกว่าหิวโหวย อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี้อย่าไปทําตามความอยากถ้าอยากไปเที่ยวก็อย่าไปเอาอย่าไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวมาทําบุญดีกว่าเพราะการไปเที่ยวนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเที่ยวแล้วมันจะติดเที่ยวครั้งนี้แล้วมันจะไม่จบพอกลับมาจากหลังจากกลับมาจากเที่ยวแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ซื้อของฟุ่มเฟือยก็เหมือนกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยวันนี้พอกลับมาเดี๋ยวไม่กี่วันก็อยากจะไปซื้อใหม่ เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นยาเสพติดของใจไม่ใช่เป็นอาหารของใจถ้าเวลาใจหิวอย่าไปซื้อยาเสพติดมาให้กับใจเพราะมันจะไม่สามารถทําให้ใจอิ่มได้จะทําให้ใจหิวอยู่เรื่อยๆเหมือนกับร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายหิวข้าวเราก็ต้องไปหาข้าวมาให้ร่างกายกินไม่ใช่ไปซื้อยาเสพติดมาเสพกันเสพแล้วมันก็จะไม่ทําให้ความหิวของร่างกายหายไปแล้วมันก็จะทําให้เกิดความหิวอยากจะเสพยาเสพติดไปเรื่อยๆ เวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความเครียดเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาใจก็เช่นเดียวกันถ้าใจไม่ได้ทําบุญใจจะมีความหิวอยู่เรื่อยๆอยากได้นู่นอยากมีนี่อยากจะไปเที่ยวนี่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆสาเหตุก็คือจากการที่ใจไม่มีอาหาร ไม่ได้รับประทานอาหารมัวแต่รับประทานยาเสพติดที่เราคอยป้อนให้ใจอยู่ตลอดเวลาด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ด้วยโมหะอาวิชชาของเรานั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าอยากจะเลี้ยงใจให้ใ ห, ให้อาหารกับใจให้ทําบุญทําทานอันนี้เป็นปจัปจจัยปัจจัยสี่อันแรกของใจก็คือการทําบุญทําทานเท่ากับการให้อาหารกับจิตใจส่วนเครื่องมืขอของของจิตใจก็คืออะไร สิ่งที่จะมาทำให้จิตใจสวยงามนี้และมาป้องกันภัยที่จะมากระทบกับจิตใจก็คือศีลนี่ศีลนี่เป็นเหมือนเสื้อผ้าอภรรของร่างกายเป็นเป็นเสื้อผ้าอภรรของใจเวลาคนมีศีลนี่จะเป็นคนที่สวยงามแต่เวลาเราครบค้าสมาคมกับคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี่เราจะรู้สึกต่างกันอยู่คนมีศีลนั้วเราจะรู้สึกเบาใจสบายใจ อยู่กับคนที่ไม่มีศีลเนี่ยมันจะทําให้เราหวาดราแวงกลัวว่าเขาจะมาหลอกเราบ้างมาแกล้งเราบ้างมาทําร้ายเราบ้างมาแย่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราไปบ้างแย่งสามีแย่งภรรยาของเราไปบ้างแต่ถ้าครบกับคนมีศีลแล้วเขาจะไม่ทําอย่างนี้ <S S S S <S เขาเป็นคนสวยความงาเขาเป็นความสวยงามของจิตใจถ้าอยากถ้าเราอยากจะให้ตัวเราสวยงาม น, นี้อย่าไปกังวลกับเรื่องความสวยงามทางร่างกายเลย ให้มากังวลกับความสวยงามของจิตใจดีกว่าเพราะความสวยงามของจิตใจนี้มันจะเป็นที่ประทับใจมากกว่าความสวยงามของร่างกายร่างกายสวยงามแต่ถ้าใจไม่จิตใจไม่สวยนี้จะครบกันไม่ได้นานพอรู้รู้ความจริงแล้วว่าจิตใจไม่ดีนี่ต่อให้ร่างกายสวยงามเป็นดาราเป็นนางงามเป็นอะไรก็ตามความงามของร่างกายนี้มันจะไม่มีอํานาจเหมือนกับความความไม่งามของจิตใจจะทําให้ คนที่ไม่สวยงามทางนั้นจิตใจนี้ไม่เคยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าอยากจะให้คนเขารักเราชอบเราให้เรามีศีลกันอย่างน้อยก็ศีลห้าแล้วศีลห้านี่ก็เป็นเหมือนเครื่องป้องกันใจด้วยป้องกันภัยที่จะมาคุกคามจิตใจภัยที่จะคุกคามจิตใจจากการไม่รักษาศีลห้าก็คืออะไรก็คืออบายนั่นเองถ้าเราไม่รักษาศีลห้าเรายังทาบาปทากรรมอยู่ถ้าสัตต์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปด โกหกหลอกลวงดูมัจรายามาอยู่ต่อไปใจของเราก็จะกลายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเตษบ้างเป็นนสุรกายบ้างแต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้ไม่ทําบาปนี่เราก็จะรักษาใจให้เราเป็นมนุษย์ต่อไปได้ตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเตษไปตกนรกอันนี้ก็คือเสื้อผ้าอภร์ของใจที่เราควรจะ มีไว้สวมใส่กันก็คือมีศีลแล้วส่วนที่อยู่อาศัยกอที่ห ล, ล, ลบแดดหลบฝนของใจก็คือก็บ้านบ้านของใจก็คือสมาธินี่เองหลบจากความวุ่นวายต่างๆเวลาใจเรามีความวุ่นวายถ้าเรามีบ้านเราก็หลบเข้าไปในบ้านด้วยการเข้าสมาธินั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกไปทั้งระยะหนึ่งใจก็นิ่งสงบ แล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความคิดตุงแต่งเกิดจากความอยากของกิเลสตัณหามันก็จะสงบตัวลงชั่วคราวเหมือนกับเวลาที่เราเจอฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยต่อร่างกายเราก็หลบเข้าบ้านกันพอหลบเข้าบ้านเราก็ปลอดภัยพอดินฟ้าอากาศมือนกลับมาเป็นปกติเราค่อยออกมานอกบ้านต่อไปอัในใดเวลาที่เราจิตเราฟุ้งซ่านวุ่นวายทุกข์กับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้ไม่รู้จะทําอย่างไรดี ก็เข้าสมาธิไปแต่การที่เราจะเข้าสมาธิได้เราก็ต้องมีบ้านเตรียมไว้ก่อนเราต้องรู้จักเข้าสมาธิก่อนถ้าเรามิรู้จักเข้าสมาธิเวลาเกิดความเครียดกับความทุกข์นี้เราเข้าไม่ได้ไม่มีที่ไม่มีที่ไปหลบดังนั้นเราต้องมาสร้างบ้านก่อนที่เราจะเกิดเจอความเครียดกันเช่นตอนนี้เราไม่ทุกข์ไม่เครียดอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไปทุกวันวันดีคือดีเราอาจจะมี มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นมากับจิตใจของเราก็ได้แล้วถ้าเราเคยฝึกสตินั่งสมาธิอยู่บ่อยๆจนสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้พอเวลาที่เราเกิดความทุกข์เกิดความเครียดใจขึ้นมาเราก็สามารถหลบเข้าไปในสมาธททิได้ชั่วคราวใช้สติบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้ถ้านั่งไม่ได้เช่นถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ทําให้จิตใจเราเศร้าจิตใจเราเครียดจิตใจเราหวาดกลัว ไม่มีที่เข้าไปนั่งสมาธิแล้วก็ใช้สตินี้คอยดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์เพื่อเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปอพอใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ใจเราก็หายเครียดหายทุกข์ใจเราก็นิ่งสงบถึงแม้จะไม่สงบแบบเข้าไปในสมาธิเลยก็ตามแต่ก็สงบละงับจากความฟุ้งซ่านจากความคิดความอยากต่าง นี่ก็คือบ้านไว้สำหรับดบภัยคือความทุกข์ทางใจในขณะที่เราไปทำภารกิจอะไรต่างๆไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้มีเจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ที่ทำให้เราใจเราไม่สบายเราสามารถหลบเข้าไปในสมาธิได้พยายามฝึกสตินั่งสมาธิกันเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้มันเมื่อไหร่ ถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนพอถึงเวลาเราจะเข้าไม่ได้เราจะเจริญสติไม่ออกอาจจะพุโทโธไม่ออกใจเราจะไม่บต่าคิดแต่ถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ยิ่งคิดก็ยิ่งทําให้เราทุกข์ขึ้นใบใหญ่เราต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ต่างๆถ้าเราไม่ไปคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้นี่ก็คือการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของใจก็คือการ การสร้างสมาธิการฝึกสมาธิการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติทั้งวันทั้งคืนนีเวลาต้องการเข้าสมาธิเมื่อไรเราก็เข้าได้ ท, ทันทีหรือเวลาต้องการที่จะระงับดับความฟุ้งซ่านเราก็สามารถระ ง, งับดับได้ ท, ทันทีนี่คือเรื่องของที่อยู่าศัยของจิตใจไปหลบหลบภัยคือความทุกข์ต่างๆ ส่วนยารักษาโรคของจิตใจโรคของจิตใจก็คือแล้วก็คือความทุกข์นี่แหละความทุกข์ที่สมาธิไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้เด็ดขาดถ้าอยากจะให้ความทุกข์ที่มีในใจของเรานี้หายไปอย่างเด็ดขาดนี้เราต้องใช้ปัญญาปัญญาทางพุทธศาสนานี้จะสอนให้เรารู้ว่าเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราคืออะไรเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราก็คือความอยากต่างๆของเราเองอยากได้ นั่นอยากได้นี่อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะพออยากแล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาหรืออยากมีอยากเป็นความอยากนี้อยากเป็นอยากลาบอยากรวยอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขพอไม่ได้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากให้ลาบยศสารเสริญสุขไม่เสื่อมความอยากให้ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราพอเกิดความทุกข์เกิดขึ้นกับเราใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันที ทุกไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเรื่องราวที่ทําให้เราทุกเรื่องราวมันเป็นเรื่องปกติในโลกนี้มีเรื่องของความเจริญเรื่องของความเสื่อมเป็นธรรมดาโลกนี้มีเป็นโลกของอนิจจังมีสุขมีทุกข์สลับกันไปสลับกันมามีดีมีชั่วสลับกันไปสลับกันมาเหตุเหล่านี้มันไม่มาทําให้เราทุกข์เหตุที่ทําให้เราทุกข์เพราะความอยากของเราไปอยากไปได้ในสิ่งที่เราไม่ได้อยากอยากได้อยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์ อยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ทุกข์อยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้หยุดความอยากเสีย<ม>การจะหยุดความอยากก็อาศัยสติอาศัยสมาธิที่เราได้ฝึกฝนอบรมมาเพีงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีปัญญาเราไม่รู้เราเพียงแต่รู้ว่าถ้าเราทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วความทุกข์ก็จะหายไปแต่เราไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ใจว่ามันเกิดจากความความอยากต่างๆ ต่อไปเวลาที่เราต้องการจะดับความทุกข์เราไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้แต่เราต้องอาศัยกําลังของสติให้หยุดความอยากให้ได้เราเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หยุดความอยากจะใช้คํำบริกรรพุโทโธพุโทโธก็ได้เราจะดูว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิด ว, ว่าเป็นสุขนี้ความจริงมันเป็นทุกข์ทุกเพราะมันไม่เที่ยงได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเปลี่ยนไปหมดไปหรือเสื่อมไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปเสื่อมไป ความสุขที่เคยได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือมองให้เห็นปันด้วยปัญญาเห็นว่า ส, สิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรามันมีความสุขรลอมเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปหมดไปเสื่อมไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาป่อยาไปทําตามความอยากอยู่กับการไม่มีอะไรเนี่ยดีที่สุดเพราะการไม่มีอะไรนี้จะไม่สามารถทําให้เราทุกข์ได้เลยอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไร ไม่ต้องมีอะไรเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่อยู่ได้ตามําพังของมันเองอยู่ยังมีความสุขได้ก็เพราะว่าไม่มีความอยากได้อะไรนั่นเองแต่พอมีความอยากขึ้นมาแล้วใจก็จะทุกข์ใจก็จะวุ่นวายขึ้นมา นั้นถ้าอยากจะกําจัดความทุกข์กำจัดความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาอย่ารักษาโรคใจที่จะทําให้โรคของใจหายขาดไม่มีหนองเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปก็คือคอยกําจัดความอยากต่างๆความอยากสามชนิดคือการมาตัญหาความอยากเสด็จกามภาวะตัญหาความอยากอยากอยากได้แต่ความสุขอยากได้แต่ลาบยอะฉราดแสญสุข แล้ววิภาวะตัณหาความไม่อยากได้ความทุกข์ไม่ต้องการความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขไม่ต้องการความเสื่อมของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายความอยากเหล่านี้เราต้องสลัดไปให้หมดหยุดไปให้หมดปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันอะไรจะเจริญก็ปล่อยมันเจริญไปอะไรมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปส่วนความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เปลี่ยนมาจากมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบจากการหยุดความอยากเท่านั้นเอง ต่อไปเราก็สามารถจะกำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจทั้งหลายให้หมดสิ้นไปพอ er ไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่หลุดพ้นจากความทุกข uh ์ก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่บาลังปรมังสุขขังคือใจที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเพราะได้กำจัดความอยากทั้งหลายที่มีในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองนี่คือวิธีรักษาใจอย่าง อย่างให้อยู่อย่างเป็นสุขปัาสะจากความทุกข์อย่างถาวรต้องใช้ปัญญาอย่ารักษาโลกของใจอันนี้คือปัจจัยสี่ที่เราควรที่จะเสริมสร้างให้กายจิตใจแล้วปัจจัยสี่ 4, ของร่างกายกย็ก็ต้องดูแลไปตามอัตรภาพของร่างกายถ้าเรามีทั้งสองอย่างครบถ้วนแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างน้อมเย็นเป็นสุกร่างกายก็สุขสบายจิตใจก็สุขสบายไม่ทุกข์ไม่เครียดกับอะไรอันนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยสี่ ของจะของร่างกายและจิตใจที่เราจำเป็นจะต้องมีไว้เพื่อดูแลชีวิตของเราให้อยู่อย่างโล่เยียนเป็นสุขก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกักปะเ อิจฉิตังปะทิตังตุมหังคิพเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตถวันตารโยสุขีติขายุโกภวะ อาพิวาธานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวะทานติอายุวโนโสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุด พราเวลาเลือกแล้วจะไม่สะดวกเพราะจะต้องมีอะไรอย่างอื่นต้องทำฉะนั้นถ้าอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามจากทาง Facebook 314อสิบจาก YouTube พระอาจารย์329ร o u ย u b e เกดร้าอ วิทยุออนไลน์9คลับเฮาส์3าผู้รับฟังธรรมะนักกุฏิ145รวมทั้งหมด851บเดค่ะคำถามจากผู้ฝากถามค่ะในพระพุทธศาสนาเขาได้กล่าวถึงเรื่องชื่อมงคลไหมครับว่าชื่อไม่เป็นมงคลจะทำให้ชีวิตไม่ดีพอมี พอดีมีพระมาทํานายและบอกให้ผมเปลี่ยนชื่อผมคิดว่าชีวิตน่าจะเกี่ยวกับการกระทํามากกว่าคนชื่อดีติดกุกก็มีเยอะแยะไปในดีเนี่ติดกุกก็มีนะในบุญติดกุกก็มีมันอยู่ที่ชื่ออยู่ที่การกระทํำผู้เจ้าสอนเราดีชั่วอยู่ที่การกระทําของเราเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมบันไดไว้ดีหรือชั่ว เป็นเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของของของกรรมนั้นคำถามจากท่านถัดไปค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะการที่เราดูวิดีโอเกี่ยวกับการผ่าอวัยวะคำถามที่หนึ่งค่ะ การผ่าอาวัย ว, วะเป็นส่วนๆเช่นตาสมองหัวใจแขนขาตามคลิปของโรงเรียนแพทย์แล้วเราพิจารณาตามอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญอสุพะหรือเปล่าคะถ้มันสวยงามหรือเปล่าถ้ามันไม่สวยงามก็เป็นอสุภะอสุพะแปลว่าไม่สวยงามสุพะแปลว่าสวยงามเวลาเราไปดูครับประกวรนางงามนี่เราจะเห็นเห็นสุภะใช่ไหม เห็นความสวยงามของร่างกายแต่ถ้าเราต้องการที่จะเห็นความไม่สวยงามเราก็ต้องผ่าดูภายในของร่างกายดูอวัยวะต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการดูให้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดกันสวยภายนอกแต่ภายในนี้ไม่สวยงามข้อสองค่ะ การดูการผ่าอวัยวะกับการดูคลิปของร่างที่ประสบอุบัติเหตุอันไหนมีผลกับการเจริญอสุภะได้ดีกว่ากันคะก็ต้องพิสูจน์เอาเองก็แล้วกันแต่มันก็น่าจะมีผลเหมือนกันเพราะมันจะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายเกิดแล้วในที่สุดก็ต้องเจอความตายกันไปข้อสามค่ะ กำลังอยู่ระหว่างการงดอาหารคราวละ3มวันเพราะจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเขาจะอยู่หนึ่งอาทิตย์ในช่วงที่อดอาหารเราควรจะพิจารณาอะไรบ้างคะก็เราอยู่ในขั้นไหนของการปฏิบัติเราก็ทําในขั้นนั้นส่วนใหญ่ก็ให้เจริญสติเป็นหลักคอยควบคุมความคิดถ้าเราควบคุมความคิดไม่คิดได้ความหิวเยอก็จะไม่ค่อยเกิด แต่ถ้าเราไม่มีสติพอปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยพอไปคิดถึงอาหารก็จะเกิดความหิวขึ้นมาทันทีถ้าเกิดความหิวก็ต้องใช้สติหยุดความคิดถ้าใช้จะ ใ, ใช้ปัญญาก็ให้คิดถึงอาหารที่มันออกมาจากร่างกายเราอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานที่กําลังจะเข้าไปในร่างกายดูตอนนี้มันออกมาถ้าเห็นอาหารที่มันออกมาแล้วมันก็จะไม่อยากกินเราต้องการระงับความหิวความอยากจากจากกิเลส ดังถ้าเวลามันเกิดความหิวความอยากเราก็ต้องใช้วิธีพิจารณาความเป็นปติกูลของอาหารดังนั้นในระหว่างที่ยั ง, ยงไม่เกิดเราอาจจะซ้อมไว้ก่อนก็ได้ซ้อมนึกถึงอาหารตั้งแต่เข้าไปเข้าไปในปากไปเคี้ยวในปากผสมกับน้ําลายแล้วก็ขึ้นเข้าไปในท้องในกระเพาะแล้วก็เข้าไปในลําไส้แล้วก็ออกมาทางทางทวารหนนะักนี่คือเส้นทางการเดินของอาหาร ถ้าเราเห็นสภาพของอาหารทุกขั้นตอนแล้วความหิวความอยากจะกินอาหารมันก็จะหายไปแต่ถ้าเรามองเพียงแต่ขั้นต้นขั้นที่มันอยู่ในจานอันตอนนั้นมันจะทําให้หิวให้อยากขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากจะกินอาหารก็ต้องมองให้มันทะลุตลอดกเส้นทางการเดินของอาหารแล้วมันก็จะหายอยากแล้วก็จะไม่หิวข้อสี่ค่ะ วันที่อดอาหารจะรู้สึกว่านั่งสมาธิได้ดีขึ้นจนกระทั่งวันที่จะออกและรู้และจะได้ทานข้าวรู้สึกใจนึกถึงอาหารมากกว่าในช่วงที่ยังไม่ได้ออกคะ่ะกลาบข อ, อแนวทางการพิจารณาคะ่ะเพราะกเลยมันรู้ว่าจะได้กินแล้วไงมันก็เตรียมคิดแล้วจะจะกินอะไรดีถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็ก็หยุดมันไว้ก่อนใช้สติหยุดมันไว้ก่อนหรือใช้ ใช้ปฏิกรูนหยุดอุ่นไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเวลากินกินก็อย่าไปเลือกกินกินตามมีตามเกิดอย่างที่เทศวันนี้กินเพื่อดับความหิวของร่างกายไม่ได้กินเพื่อความสุขความความดีดีใจของร่างของจิตใจกินไม่ได้กินเพื่อความสําราญใจกินเพื่อดับความหิวของร่างกายก็ต้องคอยคุมไว้อย่าปล่อยให้มันกินตามความอยากเพราะทับทำแล้วมันจะเสียนิสัยมันจะอยากกินไปเรื่อยๆ ถ้าเราใช้ปฏิกูลของอาหารมาคอยแระงับมันต่อไปเราจะไม่มีความอยากจะกินอาหารเวลากินอาหารก็เหมือนกับกินยาไปกินตามเวลาตามที่หมอสั่งหมอให้ยาชนิดไหนมาก็กินเข้าไปเข้าไปในปากแล้วก็คืนเข้าไปอาหารก็เป็นเหมือนยาเข้าไปในปากเคี้ยวแล้วก็คืนมันเข้าไปอย่าไปกังวลว่ามันเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ต่อไปมันจะไม่มีความอยากในอาหารแล้วก า, การภาวนาก็จะสบายขึ้น การมาฉันทะก็จะลดน้อยลงการมาฉันทะต่ออาหารก็น้อยลงแล้วเมื่อไม่รับประทานอาหารร่างกายก็เบามันก็ไม่ง่วงนอนมันก็ไม่เกียดคา้านทำให้การเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายนั่งสมาธิจิตก็ไม่มีนิวรไปคอยคิดถึงอาหารนั่งแล้วจิตก็สงบได้ง่ายกว่าถ้าถูกเจริตถ้าเราถูกจริญกับการอดอาหารเนีย่ยอันนี้เป็นอุบายที่ดีอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยการปฏิบัติของเราให้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วคำถามจากผู้ฝากถามค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทุกตัวไหนที่ทรมานที่สุดคะสำหรับหนูคิดว่าทุกจากการพลัดพากจากความตายของบุคคลที่รักเป็นทุกข์ที่สาหัสและมันลึกมากค่ะลูกควรทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่โศกเศร้ากับความทุกข์เช่นนี้อีกคะ ก็ต้องหมันพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายของคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็จะต้องตายเป็นธรรมดาทั้งของเขาทั้งของเราไม่มีมีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายคิดไปเรื่อยๆต่อไปใจมันก็จะค่อยๆยอมรับความจริงอันนี้แล้วต่อไปเวลาจะจากกันก็ไม่ค่อยรู้สึกเศร้าใจเสียใจ ยิ่งแท้ได้ไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบมิวเบคาแล้วใจยิ่งไม่เดือดร้อนใหญ่เลยใจจะเฉยเฉยในพยายามทำสองอย่างพิจารณาความตายเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็พยายามนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบให้มากมากให้นิ่งมากๆแล้วต่อไปใจจะเฉยเวลาที่เจอกับการทัดทากยากกันคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณสวรี กบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตสอบถามว่าที่วัดมีกิจกรรมนั่งสมาธิหรือไม่คะหากมีรบกวนขอรายละเอียดค่ะก็ติดต่อทางวัดเราบอกได้เพียง ข, ข่าวว่าที่วัดเขามีกิจกรรมเช้าเย็นเช้าตีสจะตีะระฆังให้ญาติโยมพาสภิกษุสามเณรเข้าโบสถสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิไปจนถึงเวลาที่ต้องไปทำกิจอย่างอื่น คือตามประมาณหกโมงเช้าก็ไปบินฑบาตญาติโยมก็ไปเตรียมทำอาหารถวายพระกันช่วงเย็นก็มีการลงโบวถประมาณห้าโมงเย็นไหว้พระสวนมนตนนั่งสมาธิจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็เลิกกันส่วนเวลาอื่นก็ต้องปฏิบัติเองคำถามจากทางเฟซบุกค่ะจากคุณไพบูล กระผมนอนฝันทุกคืนทั้งดีและร้ายเป็นเวลาปีเศษแล้วมีผลดีต่อการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรครับความฝันดีแล้วฝันไม่ดีนี่มันเป็นเป็นวิบากเป็นผลที่เกิดจากบุญหรือบาปที่เราได้ทำเอาไว้ถ้าเราทำบาปเราก็มักจะฝันไม่ดีถ้าเราทำบุญเราก็มักจะฝันดีถ้าเราถ้าเราปฏิบัติทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็จะไม่ค่อยฝัน ดังนั้นถ้าเราอยากจะฝันดีก็พยายามทําบุญเยอะๆแล้วต่อไปฝันก็จะฝันดีถ้าเราไม่อยากจะฝันเลยก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆทำจิตให้นิ่งให้สงบคําถามจากคุณพระลิธาภาค่ะการไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งรวมถึงพ่อแม่เราด้วยหรือคะ คำสอนเหมือนให้ตัดความห่วงกับทุกคนแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องลูกสามีช่วยอธิบายหน่อยค่ะยังเข้าใจไม่ชัดเจนคือตัดความทุกจากการที่เราไปยึดไปติดเขาแต่ไม่ให้ตัดความเคารพความรักความกระตนันยูกระตเวทีอันนี้ไม่ให้ตัดยังมีอยู่ตัดเพียงแต่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเขาว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดตัดตัวนี้เท่านั้นเองแต่ความ นะักความเคารพความกตัญญูกตวเวทีความมีเมตตาต่อกันนี่ไม่ตัดตัดเทียงแต่อุปทานยึดมั่นในร่างกายของเขาอยากให้ร่างกายของเขาอยู่ไปนานๆไม่ให้ตายเท่านั้นเองเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราถ้าเราไม่ยึดไม่ติดในร่างกายของเขาแล้วใจเราจะไม่ทุกข์เวลาที่เกิดการแยก พัดพากจากกันแต่เวลาอยู่แล้วก็มีความนักข่าวของความเคารพมีความกระตันอยู่มีความามีความเมตตาต่อกันมีความการุณาต่อกันยินดีที่จะดูแลกันช่วยเหลือกันไปจนกว่าจะจากกันไปสิ่งเหล่านี้เราไม่ตัดตัดเพียงตัวเดียวเท่านั้นคืออุปทานความยึดติดในร่างกายของเขาไม่อยากให้ร่างกายของเขาจากเราไปเท่านั้นเองตอนนั้นแล้วเราไม่เราไม่ตัด ทุกอย่างเหมือนเดิมความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่ตัดยังเป็นเหมือนเดิ ม, ดมอยู่คำถามจากคุณนักรบค่ะกระผมอยากฟังธรรมเทศนาที่หลวงปู่มั่นแสดงมีชื่อว่ามุตตตโตไทเพราะยังไม่เข้าใจขอความเมตตาพระอาจารย์แสดงธรรมใจความสำคัญโดยย่อครับโอ้ยธรรมของหลวงปู่มั่นเรามาแสดงได้ยังไงไปค้นหาอ่านดูจะมี เสริดคำว่าม ja ุตโตไทยเข้าไปพระอาจารย์มั่นมันก็จะโพลหนังสือของท่านก็มีพิมพ์แจกอยู่แล้วก็ไปอ่านได้เองคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจากคุณชนินเห็นร่างกายเป็นซากศพภาพว่าเราแค่ผู้อยู่อาศัยเราทำใจยอมรับใช้ชีวิตต่อไปคำนึงถึงความตายทำงานดูแลครอบครัวไปภาวนาไปด้วย พูดโถแล้วคิดถึงความตายฝึกสมาธิทุกวันและไม่ลืมร่างกายเห็นซากศพคือเราก้อนเนื้อและน้ำหนองแบบนี้ทำต่อไปในชีวิตประจำวันตั้งเป้าหมายทำไว้แบบนี้สม่าเสมอถูกต้องไหมครับและต้องทำอย่างไรต่อไปดีถูกต้องทำไปจนกว่าเราจะตัดความยึดติดในร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายตายได้ปล่อยให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายแก่โดยไม่ทุกข์กับมันได้ แล้วก็ปล่อยให้จิตไม่ไปรักชอบร่างกายของใครอีกต่อไปไม่อยากจะมีสามีไม่อยากจะมีภรรยาอีกต่อไปไม่อยากจะร่วมเพศกับใครเพราะร่วมแต่ร่วมกับสิ่งที่สุขรกสิ่งที่น่าไม่น่าดูไม่สวยไม่งามที่จุกผิวหนังบางๆปกปิดเอาไว้เท่านั้นเองพอมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสวยงามในเวลาที่ร่างกายหมดลมหายใจก็ไม่มีใครอยากจะได้แล้วร่างกายอันนี้ คำถามที่สองค่ะมีพระท่านหนึ่งชวนผมบวชครับผมยังมีหน้าที่อยู่จึงยังมิได้ไปในตอนนี้ต้องตอบแทนคุณพ่อแม่และทําหน้าที่สามีให้ครบถ้วนกราบถามพระอาจารย์ว่าจะภาวนาอย่างไรควบคู่กับทางโลกไปด้วยและอยากตัดร่างกายไม่ให้เกิดอีกต่อไปครับพยายามสุกสติทั้งวันทั้งคืน เราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรให้ใจเรามีสติคอยควบคุมอย่าปล่อยให้คิดเ ล, เล่อยเปื่อยให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วอยู่กับการทํางานของร่างกายร่างกายทําอะไรก็เฝ้าดูไปแล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งสมาธิไปทําอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะมีเวลามากถึงค่อยไปบวชต่อไปคําถามจากทางยูทูบค่ะจากคุณทวีสิทธิ์ เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องปฏิบัติแบบปูโคดหรือหนักหน่วงขนาดไหนศีลห้าพอเพียงหรือไม่ครับจะมีดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วไปไม่พอหรอกต้องมีศีลแปดต้องฝึกสติทั้งวันทั้งคืน้องนั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้แล้วก็มีปัญญาเห็นเห็นอริยาาสัจว์4เห็นตายรักตลอดเวลาก็จะสามารถบรรลุภายใน7วัน7เดือน7ปีได้ คำถามจากพระเครื่องภูทรค่ะการบริกรรมพุทโธต้องเอาจุดไหนเป็นที่ตั้งครับเอาคำบริกรรมนะเป็นที่ตั้งอยู่กับคำบริกรรมให้คาบริกรรมกับจิตนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตรู้แต่คำบริกรรมอย่างเดียวคำถามจากคุณ powerful ค่ะเวลาบริกรรมพุทโธคำบริกรรมขัดกับลมหายใจต้องทำอย่างไรครับไม่ต้องดูลมหายใจเอาคาบริกรรมอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องดูงไม่ต้องไม่จเป็นจะต้องใช้สองอย่างพร้อมๆกันสามารถเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถ้าใช้คำบริกรรมก็บริกรรมอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวคำถามจากทาง in box ค่ะสามีไปมีคนอื่นเราจะทำใจตัดใจจากเขาได้อย่างไรคะคิอว่ายกกองทุกข์ให้กับคนอื่นไป อ, อยู่กับเาแล้ ว, ลวทำให้เราทุกข์ ไอ้ก็ไปอยู่กับคนอื่นเราจะได้สบายไม่ต้องมาทุกกับเขาอีกต่อไปไมันยากนะมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันใช่ไหมถ้าไม่มีก็ไม่ทุกข์เราจะไปเสียดายความทุกข์ทำไมถ้าความทุกข์อยากจะไปก็บายๆฉันอยู่คนเดียวดีกว่าชั่นสบายแต่อยู่คนเดียวได้ก็ต้องเข้าสมาธิเป็นถ้ายัางเข้าสมาธิไม่เป็นอยู่คนเดียวก็เหงาอีกเหงาเดี๋ยวก็ไปหาทุกข์ใหม่มาแบกอีก เพราะฉะนั้นพยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆแล้วจะมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวแล้วจะไม่อยากจะอยู่กับใครเพราะรู้ว่าอยู่กับใครก็ต้องมีเรื่องมีปัญหามีความทุกขตามมาอย่างแน่นอนหมดหรือยังเวลามาหมดแล้วเหรอหมดแล้วก็คันนี้ก่อนนะขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไ ป, ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด